นี่ก็ขึ้นยานอันประกาศโพชฌงเจ็ดนะครับว่าพระผู้มีพระภาคนั้นสามารถประกาศโพชฌงเจ็ดไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวนะเพราะว่าพระองค์ก็ปฏิบัติในโพชฌงเจ็ดนะเพราะว่าพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับเป็นผู้ที่ละนิวรหนะครับมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่แล้วก็เจริญสัมโพชฌงเจ็ตรัสรู้เรียมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ดนะ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าแม้พระพุทธเจ้าในอดีตที่เคยมีมาแล้วก็ทรงละนิวรณ์หมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4นะครับอบรมโพธชงเจตตรัสรูอริยมักมีองค์8นะั่นแหละนะเหมือนกันพระพุทธเจ้าในอนาคตก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็กเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นญานอันประกาศสามโพธชงเจตนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดานะครับแตนี้ในธรรมดานี้ก็ไม่ธรรมดาสําหรับเราทั้งหลายนะ แต่ผมคิดว่าได้มีบุญหูได้ยินว่าโอ้โหโพดชงได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วว่าเออธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อความพ้นวัตทุกขนะนะครับเพราะผู้ที่พ้นจากวัตทุกก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะโพดชงเจ็ดต้องรู้ทุกคนนะครับผู้ที่เป็นพระอริยะน ะ, ะโสดาบันเป็นต้นไปต้องรู้โพดชงเจ็ดเพราะว่าในขณะที่บรรลุโสดาปฏิมาก็มีโพดชงนะ <c oughs> อันหนึ่งพระยานอันประกาศสัมโพดชงเจ็ดของพระผู้มีพระภาค อันเป็นไปโดยอาการต่างๆอย่างนี้ว่าโพชฌงนี้เมื่อว่าโดยสรุปเนี่ยนะครับมีเจ็อย่างนะพิสูจนทั้งหลายโพชฌงเจ็ดเหล่านี้คือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยสามโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัตทีสามโพชฌงสมาธิสามโพชฌงและก็อเวขาสามโพชฌงนะครับโพชฌงเจ็ดประการเหล่านี้นี่นะครับที่ทําให้เครื่องตรัสรู้เนี่ยนะ โดยสรุปแล้วพหุชงมีเจ็ดอย่างแต่เมื่อว่าโดยสามั ญ, ญลักษณะนะครับหัวข้อดำๆนั้นเป็นการวิเคราะห์โพหุชงโดยนัยต่างๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าพหุชงนี้โดยสามั ญ, ญลักษณะก็คือธรรมะสามัคคีนี้ใดต่างโดยสติเป็นต้นคือมีเจอย่างนะธรรมะสามัคคีนี้แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวนะธรรมะสามัคคีเจอย่างมีสติเป็นต้นอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปัทฐานหลายประการคือ ลีนะนะครับความหดหูอุทะจะความพุ่งซ่านปฏิฐานะความตั้งมั่นนะครับเป็นชื่อของกิเลสนะอายุหะนะเจตนาเป็นเครื่องประมวลการมาสุขาริการุโยค ก, การประกอบในการมาสุขอัตกิลมัฐานุโยค ก, การประกอบในการทําตนให้ลําบากอุเชทเทฐิการเห็นว่าขาดศูนย์ ส, สตัตตเทฐิความเห็นว่าเที่ยงอภินิเวสการยึดมั่นเป็นต้นเนี่ยนะครับอันเกิดในขณะแห่งโลกุตตรามัก คือหมายถึงว่าธรรมสามะคีนี่นะครับทั้ง7ประการเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นในโลกุตระมักเนี่ยจะเป็นปฏิปักต่อธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเป็นตัวล ะ, ละธรรมะทั้งหลายเหล่านี้คือลีนะอุธธทธะจัปฏิฐานะอายุหณะการมสุ ข, ขาริการนุโยกอัตากิลามัานุโยกอุเฉททิติสัสตททิติและพินิเวสสหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกิจของอสัมโพชฌงเมื่อเกิดขึ้นก็จะประหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้อันนี้พูดในขณะโลกุตระมัคนะครับ แต่ว่าพ่อชงทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเริ่มมีตั้งแต่โลพิยะแล้วนะครับวิปัสสนาทั้งหลายเป็นต้นไปก็เรียกว่าพ่อชงแล้วเพราะว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้นะครับแต่นี้กล่าวเฉพาะในลักษณะโลกุตระพระอริยาสาวกย่อมตื่นคือย่อมลุกขึ้นจากกิเลสนิทราหมายความว่าความหลับเรื่มหน้ากิเลสเนี่ยนะครับลุกขึ้นเหมือนกนเถิดหรือแทงตลอดอริยาาสัจส ทำให้แจ้งเฉพาะพระนิพานด้วยธรรมสามัคคีใดธรรมสามัคคีนั้นเรียกท่านเรียกว่าโพธิเชื่อว่าพ่อชองเพราะเป็นองค์แห่งธรรมสามคัคคีเครื่องตรัสรู้นั้นนะครับเพราะทําให้ตรัสรู้พระนิพานใช่ไหมครับรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่แล้วก็เตื่นจากความหลับด้วยอานาจกิเลสนะครับได้บรรลุมรรคผลก็ผลจากห่วงโอคะเป็นต้นนั่นเองนะครับขออนุญาตครับ อนุอายูหั น, นะเนี่ยเจ ต, ตนาเครื่องความประมวลมันหมายความว่าไงอา่านไม่เข้าใจก็ประมวลไปสู่พบใหม่ไงครับนะอย่างชุ่นเจตนาทางกายสันเจตนาวจีสันเจตนาและก็มโนสันเจตนาเนี่ยนะครับเจตนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่พพยนะครับประมวลไปสู่พบใหม่ใช่ไหมครับประมวลไปเพื่อปฏิสนธิเป็นต้นนั่นเองนะครับอ่านไอคำว่าประมวลก็คือประมวลปฏิสนธิประมวลเพราะประมวลชาติให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ประมวลเกิดใหม่อ่างั้นเถอะอันหนึ่งพระอริยาสาวกท่านเรียกว่าโพธิเพราะการทำวิเคราะห์ว่าตรัสรู้ด้วยธรรมสามคัคคีดังที่กล่าวแล้วเชื่อว่าพ่ชงเพราะเป็นองค์แห่งพระอริยาสาวกผู้ตรัสรู้ธรรมสามัคคีนั้นนะครับเพราะว่ามาจากโพธิบวกอังคะใช่ไหมครับเป็นพ่ชงนั่นนะเพราะนว่า อ, องค์ของผู้ที่ตรัสรู้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าไม่มี ธรรมะทั้ง7ประการมาสามัคคีกันก็ไม่มีการตรัสรู้นะครับอ่ะทีนี้วิเคราะห์โดยลักษณะพิเศษนะครับว่าสติสามโพชงนี่นะครับมีอุปัฏฐานะลักษณะนะครับคือมีอาการมีการปรากฏเป็นลักษณะคืออุปัฐานะเนี่ยนะอุปัฐานะแล้วแต่จะแปลนะครับบางทีก็แปลว่าการปรากฏนะครับหรือบางทีก็แปลว่าตั้งมั่นก็ได้นะครับสติอุปัฏฐานะเนี่ยนะ ธรรมวิจยะสามโพชิชนั้นมีการสอดส่องเป็นลักษณะนะครับปวิจยะปะวิจยะคือสอดส่องใคร่ครวญหรือทำวิจัยนั่นเองวิริยะสามโพชิงนะครับมีการประคองไว้เป็นลักษณะนะครับคือปัจขะลัคนโนมีการประคองถามว่าประคองอะไรครับประคอง ป, ประคองเจริญกุศลพ่อพูนประคองไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเลยนะครับปีติสามโพธิชนก็คือ แพ่ร้างไปเป็นลักษณะนะครับคือพร ะ, อระนารคโนปัสสติสามโพชงก็มีความสงบเป็นลักษณะนะครับอุปสมารคโนเนี่ยนะครับสมาธิสามโพชงก็มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะคืออวิเเคปะไม่ฟุ้งซ่าน อ, าอุเบขาสามโพชงนั้นมีการพิจารณาหรือเรียกว่าปฏิสังขนะลักษณะนะครับมีการพิจารณาเป็นลักษณะเข้อกัดครับปัสสติสัมโพชงกับสมาธิสัมโพชงนี้ มันมีลักษณะดูคล้ายๆว่าจะเหมือนกันคือว่าปัฏที่สำโพชงนี่จะมีความสงบเป็นลนักษณะแล้วก็สมาธิสำโพชงมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลนักษณะก็เกิดร่วมกันนะครับเพราะว่าคนละองค์ธทมนะครับปัฏฐะที่นี่นะครับได้แก่กายปัฏฐะที่จิตต์ปัฏฐะทีิเจตสิกส่วนสมาธิองค์ธรรมได้แก่เอกขตามันคนละองค์ทำกันนะครับแต่ว่าธรรมะเหล่านี้ก็สามัคคีกันเพื่อการตรัสรู้นะครับ เมื่อว่าโดยการแสดงความเป็นไปในขณะเดียวกันนะครับคือคือขณะที่โพชฌงเราเนี่ยเกิดในขณะเดียวนะโดยเป็นอุปการะแก่กันและกันแห่งโพชฌงเจ็ดโดยนายเป็นต้นว่าในโพชฌงเจ็ดนั้นสติสามโพชฌงเป็นเชนไหนเพศุในศาสนานี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่งระลึกได้ระลึกได้บ่อยๆซึ่งกิจที่ทําไว้นานๆหรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆ น, นี้เรียกว่าสติสามโพชฌง นะความระลึกได้ระลึกแม้ทั้งกิจที่ทำนะครับแล้วก็วาจาที่ได้กล่าวไว้แม่นานานนี่คือลักษณะของสติสามโพชงที่สูนั้นมีสติอย่างนั้นอยู่วิจัยเลือกสรรพิจารณาซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญานี้เรียกว่าธรรมะวิจยสามโพชงสติต้องระลึกในสิ่งนั้นก่อนปัญญาก็วิจัยในสิ่งนั้นนะครับ ความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุนั้นผู้วิจัยเลือกสรรพิจารณาซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชงปีติอันปราศจากอา mith เกิดขึ้นแก่พระพิสูจผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วนี้เรียกว่าปีติสัมโพชงกายก็ดีจิตก็ดีของพิสูจนผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับนี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชง จิตของพิสูจนผู้มีกายสงบระงับแล้วมีความสุขสบายย่อมตั้งมั่นนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์พิสูจนั้นเป็นผู้แพ่งแรงอยู่ด้วยดีซึ่งจิต ท, ที่ตั้งมั่นอย่างนั้นนี้เรียกว่าอุเบขาสัมโพชฌงค์นีอธิบายความสัมพันธ์ของโพชฌงค์ทั้ง7ประการนะครับว่าสติสัมโพชฌงค์นี้มีความสําคัญมากนะครับคือระลึกได้เป็นตัวที่ระลึกในกิจที่ทําคําที่พูด ธรรมวิจยะก็เป็นตัววิจัยวิริยะก็เพียนวิจัยอันนั้นแหละปีติก็เกิดขึ้นเพราะผลของการวิจัยนะครับเมื่อปีติเกิดก็สงบระงับนะครับก็มีความสบายก็เป็นสมาธิจิตจ้มตั้งมั่นก็เพ่งแรงอยู่ด้วยดีนี่ลักษณะของอุบเบกขาสามโพชฌงเพราะฉะนั้นอุพโภชฌงทั้ง7ประการนั้นทํางานสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับผมจะยินพระลบหนึ่งท่า น, ท, านท่านคุยกท่านคุยกันบอกว่า ถามเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงพรับอีกองหนึ่งบอกว่าผมเจริญผมปฏิบัติในแนวทางโ พ, พ, พ, พ, พ, พชงนะฮะถ้าหากว่าการที่จะปฏิบัติธรรมโดยที่ยึดตามแนวโพชงเจ็ดเนี่ยนะไปคือเริ่มต้นก็อ ย, อยังเงี้ยไปไปยางนี้เลยเนี่ยครับผมไม่รทราบว่ามัน ก็ก็คงอย่างเช่น<ช>มันเริ่มต้นได้ว่าเออผมไม่ใช่องค์งนั้นนะผมก็ไม่รู้แต่ว่าท่านบอกว่าผมปฏิบัติตารรรมแนวพ่อชองเจ็ดนะแล้วก็ก็พอทราบรายละเอียดไหมครับว่าเริ่มตั้งยังไงเริ่มทํายังไงบ้างครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมสงสัยว่าเอ็มการลัดขั้นตอนหรือเปล่าอย่างนี้คคือพ่อชองในลักษณะ น, นี้นี่นะครับผู้ที่จะเจริญโพชอชองก็ต้องอย่าลืมว่าโพ่อชองก็มีอาหารคือสติสติประทานเป็นอาหารของโพ่อชองใช่ไหมครับ แม้แต่สติประฐานก็มีสุจริสาเป็นอาหารสุจริสามก็มีอินทรีย์สังวรนั่นแหละเป็นอาหารที่นี่เรามากล่าวว่าพ่อชงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสติสามพ่อชงสติที่เป็นองค์ทําให้ตรัสรู้เนี่ยนะครับสตินี้ระลึกถึงกิจที่ทำไว้นานหรือวาจาที่ได้กล่าวไว้นานเป็นต้นเนี่ยนะสติอันนี้ระลึกธรรมวิจัยก็วิจัยเลยนะครับวิจัยสิ่งนั้นลงอริยสัจนะครับวิจัยถึงสิ่งที่ระลึก สมมติเ ล, ลื่ลึกถึงคําพูดหรือเลลึกถึงอะไรก็ได้นะครับราลืลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดหรือเลลึกถึงอะไรก็ได้เราเลือลึกแล้วธรรมะวิจยัยก็วิจยัยสิ่งนั้นโดยอริยสัจเลยนะครับวิจยัยนี้เป็นทุกนี้เป็นสมุทัยนี้เป็นนิโรธทุกควรปริญญยากิจนะครับควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรคควรเจริญแล้วการเจริญนี่เป็นยังไงเป็นต้นนีอ่อันนั้นปัญญาเป็นตัววินิจฉัยเมื่อวิจยัยเสร็จแล้วก็เพียรทํากิจนั้นๆตามนั้น นะครับเมื่อเพียรทํากิจอย่างนั้นก็ได้รับผลคือปีติปัสสัตธิและสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นนะครับเมื่อตั้งมั่นก็เพ่งเล็งอยู่ด้วยดีพ่อพูล ร, รักษาการพิจารณานี้ให้ต่อเนื่องไปอันนั้นก็เป็นลักษณะของอุเบกขาสามโพ่อชงนั้นโพ่อชงนี้ก็จะเจริญนะถ้าหากว่าบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็เกิดการตรัสรู้อริยสัจธรรมนะครับครับก็มีวิชาและวิมุติเป็นผลนะครับถ้าเข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายนี้ทุกอย่างเนี่ยโดยไม่ต้องผ่าน สติปฐานสุจริตสามอื่นๆมาเนี่ยนะครับได้ไหมครัถามว่าทําได้ไหมล่ะก็ไม่ทรามกันก็เหมือนกับบางคนเนี่ยเจ้าสารการนี่เมาแล้วก็โหยังฟังทำแล้วยังบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยอ่ะก็คุณทําตามแบบเจ้าสารการนี้ทาได้ไหมล่ะหรือบางคนบอกนง่ายๆพระพาหิยะไปรักษาศีลไปอะไรที่ไหนมาเนี่ยมาฟังแล้วบรรลุเลยแล้วคุณทําได้เหมือนพระพาหิยะไหมล่ะ นะครับแล้วก็พระพาหิยะมีองค์เดียวนะเจ้าสรารการนี้ก็มีอยู่คนเดียวผู้ที่ตรัสรู้เร็วๆมากๆแบบนั้นก็ไม่ใช่มีมากมายอะไรแต่ถ้าหากว่าอ่านประวัติพระเถระยุคหลังๆมานะครับทรงพระทัยบิดกด้วยปฏิบัติ30ปียังไม่บรรลุเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยมากก็จะชอบเอาตัวอย่างที่แบบง่ายๆลัดๆสั้นๆนะครับ ถ, ถูกใจมากนะครับเสร็จแล้วเอาเวลาไปเพริรเจอร์เป็นต้นอันนี้ได้นะครับ ที่คือไม่ได้นึกเลยว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยแก่มากขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโทษของมิจฉาปนิธิเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับไม่ตั้งจิตไว้โดยชอบธรรมนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นศาสดา ข, ของเราทรงตรัสไว้อย่างไร เราก็ควรที่จะสมาทานศึกษาเรียนรู้ภาคเพียรไปตามลําดับขั้นตอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้ถึงทําได้มากได้น้อยก็ตามสติและกําลังของเรานะครับไม่ใช่ว่าโอ้โ oh, หพระองค์รู้อะไรแล้วเราจะสามารถตรัสรู้ตามได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเพียงแต่ว่าจะขอศึกษาตามขอเรียนรู้ตามขอศึกษาภาคเพียรและประพฤติปฏิบัติตามนะครับซึ่งผลเหล่านั้นก็มีอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ว่าจะปฏิบัติตามได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ ปุเพกตปุญญาตาและอัตตะสัมมาปณิทิซึ่งปุเพกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิก็เนื่องด้วยโยนิสโสมนัสิการเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยแต่ว่าในบรรดาปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับพระผู้มีพระภาคสอนเรื่องปัจจัยเพื่อไม่ให้ประมาทนะครับเพื่อไม่ให้ประมาทในกิจนั้นๆทีนี้พ่อชงต่อไปนะครับว่าเมื่อว่าโดยการแสดงความเป็นไปโดยอาการจำแนกอารมณ์ แห่งพ่อชงเหล่านั้นโดยนายเมียที่ว่าในพ่ชงเจ็ดนั้นสติสามพชงนี่เป็นไงเขาบอกสติในธรรมะภายในมีอยู่คือพิจารณาสังขารอันเป็นไปในภายในเนี่ยนะครับสติในธรรมะภายนอกมีอยู่คือสังขารทั้งหลายอันเป็นไปในภายนอกสติในธรรมะภายในแม้ใดสติในธรรมะ ภายในแม้นั้นก็ชื่อว่าสติสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานสติในธรรมะภายนอกแม้ใดสติในธรรมะภายนอกแม้นั้นก็ชื่อว่าสติสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานเพราะฉะนั้นการที่สติระลึกรู้หรือตั้งมั่นนะครับไม่ใช่เฉพาะในภายในตัวอย่างเดียวภายนอกตัวด้วย แต่ไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียวภายในด้วยดังนั้นทั้งภายในทั้งภายนอกก็เป็นไปเพื่อตรัสรู้นะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหมือนกันคำว่าสติภายนอกหมายถึงสติคนอื่นหรือว่าเราเห็นอารมณ์ภายนอกสติของเรานั่นแหละครับแต่ว่าพิจารณาสังขารภายนอกอ๋อนะครับสติตัวเองนั่นแหละสติภายในตัวนั่นแหละ อย in ่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สติของพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็พิจารณาสังขารภายในตัวพระองค์อย่างหนึ่งพิจารณาสังขารภายนอกตัวพระองค์ในอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงสัตว์อื่นๆนะพระองค์ก็พิจารณาด้วยนะครับส่วนธรรมวิจยะสามโพชฌงนั้นเป็นไฉนคือความเลือกสรรธรรมะในภายในมีอยู่คือเลือกสรรในสังขารในภายในเลือกสรรในธรรมะภายนอกคือสังขารในภายนอกนะครับ ความเลือกสรรในธรรมะภายในแม้ใดความเลือกสรรแม้ในธรรมะภายในแม้นั้นก็ชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้รู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเช่นผู้ที่เจริญอาการสามสิบสองก็พิจารณาอาการสามสิบสองภายในตัวนะครับความเลือกสรรภายนอกแม้ใดความเลือกสร ร, รในธรรมะภายนอกแม้นั้นก็ชื่อว่า ธรรมวิจยะสามโพชฌงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนานก็คือพิจารณาอาการ32ในภายนอกอนะเพราะฉะนั้นการเจริญเหล่านี้นะครับเจริญคือพิจารณาสังขารคือขันธ์ห้าในภายในตนพิจารณาสังขารภายนอกตนนะครับเพราะนั้นพิจารณาทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกนี่เรียกว่าทั้งสติสามโพชฌงและธรรมวิจยสามโพชฌงนะครับควรพิจารณาทั้งสองประการ แต่ก็ขับเน้นว่ากิเลสเกิดที่ไหนมากก็พิจารณาอันนั้นแหละมากนะครับส่วนวิริยะสามโพชงนะครับคือความเพียรทางกายมีอยู่ความเพียรทางใจมีอยู่นะครับความเพียรทางกายเมใดความเพียรทางกายแมนั้นก็ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และก็เพื่อนิพานความเพียรทางใจแม้ใดความเพียรทางใจแม้นั้นก็ชื่อว่า วิริยะสามโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพานนะครับอันไอคำว่าความเพียรทางกายก็คือเช่นความเพียรอันเกิดขึ้นแล้วแกผู้ที่ฐานซึ่งการจงกรมว่าทำไม่จงกรมทำไมบรรลุไม่เลิกว่างั้น น, นะลักษณะนี้เรียวกว่าเพียรทางกายหรือถ้าความเพียรทางใจก็เช่นความเพียรอันเกิดแล้วโดยเวน้นจากกายประโยคนาคือไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับ อย่างนี้ว่าตราบใดจิตเราจักไม่หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายโดยความไม่ถือมั่นแล้วเราจักไม่ทําลายบัลลังก์นี้คือหมาย ว, ามว่าถ้าลงนั่งแล้วนะถ้าไม่บรรลุเลิกลุกกันแล้วพอกันทีนะครับอันนี้พระ อ, องค์สรรเสริญนะครับวิธีอันนี้แต่ใช้กับผู้ที่มีความรู้แล้วนะใช้กับผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจอย่างตลอดสายแล้วนะครับถ้ายังไม่รู้อะไรแล้วก็ไปเพียรนั่งอย่างที่ว่านี้ก็ไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไร ส่วนปีติสามโพโฉงก็คือปีติที่มีวิตกวิจารณ์มีอยู่ปีติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณมีอยู่แต่ว่าปีติทั้งสองอย่างนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานนะครับปัสสัที่สามโพโฉงเป็นไงนกายปัสสัตถิก็คือความสงบระงับแห่งขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนะครับจิตตปัสสัตถิก็ได้แก่สงบระงับความกวนกวายแห่งวิญญาณขัน ไม่ว่าจะเป็นกายปัสสธิจิตตปัสสติทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานนะครับคือเน้นว่าปัสสตินั้นความสงบประงับความกระวนกวายของนามขันนะครับนามขันสงบประงับกบวกความกระวนกวายของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันนั่นเองนะครับปัสสติมันแปลว่าความสงบ ถ้าสงบอย่างนี้แล้วมันจะไปรู้ยิ่งอะไรล่ะครับอ่าก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนะครับเป็นไปเพื่อเพราะว่าตัวปะสะัสสถิไม่ใช่ตัวรู้ตัววิจัยตัวที่วิจัยคือธรรมวิจยะแต่อันนี้เป็นฐานของธรรมวิจยะนะครับเป็นตัวที่ทําให้ธรรมวิจยะมีกําลังนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่สงบระงับก็พิจารณาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่วิจัยจริงๆนะเป็นงานของธรรมวิจัย ทีนี้การวิจัยที่ถูกต้องก็ต้องสงบระงับอีกนะครับถ้าวิจัยถูกนะจะต้องเบาต้องสบายนะครับการพิจารณาอริยสัจสี่เป็นต้นเนี่ยนะครับพิจารณาสังขารภายในหรือภาย น, นอกก็ตามถ้าพิจารณาถูกหรือปฏิบัติถูกต้องสงบนะครับต้องทําและสงบถ้าไม่สงบนี้แสดงว่าพลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถูกต้อง น, นะนะส่วนสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์มีอยู่สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเนี่ยมีอยู่ สมาธิทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับก็ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานนะครับพวกฌานในจิตทั้งหลายแลยเนี่ยครับที่เป็นบาดของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะแต่ถ้าขณะโลกุตระมรักเนี่ยพ่อชองทั้งหมดเนี่ยเกิดพร้อมกันนขณะโลกุตระมรักแต่นี้อาจจะแสดงทั้งในเบื้องต้นด้วยนะครับหมายความว่าแสดงคละกัน ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าเป็นโลกิยะก็อาจจะคนละขณะกันถ้าขณะโลกุตระต้องขณะเดียวกัน ส่วนอุเบขาสามโพชงนั้นเป็นไนอุเบขาในธรรมะภายในมีอยู่อุเบขาในธรรมะภายนอกมีอยู่นะครับก็คือตั้งมั่นในสังขารภายในสังขารภายนอกนี่นะครับอุเบขาในธรรมะภายในหรือภายนอกนี่นะค ร, ร, รับย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนะครับวันนี้ก็เป็นการเจริญโพชงนะครับเจริญโพชงที่เป็นไปเพื่ อ, อเพื่ออริยมรรคอะนะเพื่อพระนิพพานนะครับ อันนี้เรียกว่าพูดโดยความเป็นไปหรือการจำแนกอารมณ์นะครับว่าพจชงแต่และอย่างนี่จำแนกแจกแจงได้อย่างไรนะครับ น, น, นเพราะฉะนั้นคิดดูนะจะเป็นพชง14สเลยนะครับสติสามพชง2ธรรมวิจยะสามพชง2วิริยะสามพภชง2ปีติ3โมพชงก็มี2 ปสสัตทิสามโพชงก็มีสองสมาธิสามโพชงก็มีสองอุเบกขาสามโพชงก็มีสองเรียกว่าโพชฌงสิบสนะครับขยายเป็นโพชฌงสิบสได้นะครับถ้าสติก็ภายในกับภายนอกธรรมวิจยะก็ภายในกับภายนอกวิริยะก็เพียงทางกายและทางใจปีติก็มีวิตกวิจารณ์กับไม่มีวิตกไม่มีวิจารปัสสัตทิก็กายะปสสัตทิจิตะปัสสัตทิส่วนสมาธิก็สมาธิที่มีวิตกวิจารณ์ กับสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อุเบชาก็ธรรมะภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นพ่อชงเจ็คูณ2ก็เท่ากับสามารถเป็นโพ่อชงได้สิบสี่นะครับเมื่อว่าโดยวิธีภาวนานะครับโดยในเป็นต้นนะวิธีเจริญโพ่อชงนะครับในพ่อชงเหล่านั้นสติสามพ่อชงเป็นฉนยัยพิกูจน์นธรรมวินัยนี้เจริญสติสามพ่อชงอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ สรุปก็คือเจริญโพชงทั้ง7นะครับอันอาศัยวิเวกอาศัยวิรา่าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละมันวิธีเจริญนะครับดูได้ในนันทโกวาทสูตรนะครับนันทโกวาทสูตรก็แสดงแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้จะต้องรู้วิธีปฏิบัติการเจริญวิปัสนาการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับจึงจะเจริญอันนี้ได้นะครับ ทีนี้ถ้าโดยวิภากษ์ไนนะครับในยะแห่งการจําแนกเนี่ยก็จะได้ประมาณเก0าหมนหกพนไโดยไนเป็นต้นว่าในสามโพชงเจ็เป็นฉนัยพิสูนในธรรมวินัยนี้สมัยใดเจริญโลกุตระชานในขณะโลกุตระเนี่นะข้อความก็ละในสมัยนั้นโพชงเจ็เหล่านี้ย่อมมีคือสติสามโพชนจนถึงอุเบกขาสามโพชงแล้วก็มีการขยายไปอย่างละเอียดนะครับก็ดูได้ในโพชงวิพังนะครับในเล่มเจ็ดสิบแปข้อห้าถึง ห้าสิบสี่นะครับในหน้าสองร้อยสามสิบเอดถึงสองร้อยสาสบสองนะครับของฉบับเราที่เรียนกันเนี่ยนะส่วนฉบับมจรหรือฉบับมหาจุฬาภาษาไทยก็คือข้อสามสิบห้านะครับข้อเล่มสามสิบห้าข้อสี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับก็ดูได้นะทั้งหมดเหล่านี้ชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอัตถานั้นให้คลาดเคลื่อน แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงพยานอันประกาศสัมโพชน์ชงเจ็อันของแท้นะครับคิดดูนะว่าโพจน์ชงทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ปฏิบัติและตรัสรู้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ยังมาแสดงมากล่าวมาเปิดเผยประกาศเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรารพสารทั้งหลายด้วยนะครับของอผู้ที่มีศรัทธาสัตยินทร์ซีพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเหล่านี้แล้วก็น่าจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลศรัทธา ปีติและปราโมทได้นะครับส่วนผู้ที่ศรัทธาน้อยๆถ้าฟังคําสอนเหล่านี้แล้วปีติปราโมทไม่ค่อยเกิดก็รู้ว่ายังไม่พอนะครับกุศลธรรมยังไม่เพียงพอจริงๆนะครับขนาดฟังแล้วยังไม่ปราโมทจะกล่าวไปยายถึงได้ปฏิบัติเรียนรู้ในชั้นสูงๆต่อไปเล่านะครับก็บอกว่าฟังขุมทรัพย์แล้วก็ยังเฉยๆนี่ก็แสดงว่าเอ้มันยังไงแล้วเรานะครับควรสลดสังเวชใจนะครับควรสลดสังเวชใจแล้วก็ภาคเพียรพิจารณาต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน